แนะนำบทอัลมาอูลบทอัลมาอูลเป็นบทมักกิยาะมีเจ็ดองการที่กล่าวโดยสรุปถึงมนุษย์สองจำพวกคือผู้ปฏิเสธศรัทธาและเนรุลต่อความโปรดปานของอัลลอฮปฏิเสธแห่งการชำระและการตอบแทนคนมูนาฟิกคือคนกลับกรอกที่ไม่มีเป้าหมายในการการะทำของเขาเพื่ออัลลอฮ แต่ต้องการจ ว, วดอ้างในการการะทาการงานของพวกเขาและการละหมาดของเขาพวกแรกนั้นอลัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงลักษณะอันน่าเกลียดของพวกเขาและพวกเขาเหยียดหยามเด็กกาพรา้าโดยแสดงกริยาและการการะทาที่แข็งกระด้างไม่เรียบร้อยและไม่กระทาความดีเลยแม้กระทั่งเพียงกล่าวถึงสิทธิของคนยากจนขันสนแต่นั้นพวกเขา จึงไม่ได้ทําความดีในการพักดีต่อพระเจ้าของพวกเขาและไม่ได้กระทําความดีแก่มนุษย์โดยทั่วไปส่วนพวกที่สองนั้นคือพวกมูนาฟิกคือพวกที่ละเลยต่อการละหมาดซึ่งพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติละหมาดในเวลาของมันและพวกเขาได้กระทํำไปแต่เพียงในรูปแบบไม่จริงจังบท น, นี้ได้สัญญาบุคคลทั้งสองจำพวกไว้ด้วยความหายนะและความวิบัติ และได้ประนามการการะทาของพวกเขาด้วยถ่อยคำที่รุนแรงและํำนวนที่แปลกประหลาดด้วยพระนามของอาลาัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือผู้ที่ปฏิเสธการตอบแทนในปรโลก